ก็ความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระพุทธญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องตอนที่นางสุชาดาเตรียมข้าวมัตุปยาตเพื่อจะไปบูชาเทวดาประจำต้นไสที่เธอบนบาลสารกล่าวเอาไว้สมัยยัง ส, สาวนะก็บนไวสองช่วง ช่วงแรกก็ขอให้ไปสู่สกุลสามีที่มีสกุลเสมอกันในวัยที่ยังสาวแล้วก็สองก็ให้เมื่อแต่งงานแล้วก็ให้ได้บุตรชายหัวปีนางก็ได้ตามที่ต้องการเมื่อนางได้ใช้ปุณนัศสีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกปุณทัศสีปุณะนั่นก็คือสมบูรณ์อาจจะเป็นคนที่เท่าไรเนี่ยเป็นคนที่เต็ม คนที่ห้าคนที่สิบคนที่สิบห้าคนที่ยี่สิบอะไรเนี่ยพอเจอบ่อยปุณนธาสีเนี่ยจะหมายความว่ายังไงก็ไม่ทราบเหนกันแต่ว่านึกถึงปุรณะกัสปะก็ธาตุคนที่ครบร้อยอันนี้ก็น่าจะเป็นธาตุคนที่ที่เต็มในในจํานวนที่เขาต้องการนะก็ในตอนกลางคืนวันนั้น พระโพธิสัตว์ก็สรงสุบินนิมิตทั้งหประการดังที่กล่าวแล้วก็ทรงชัดเจนนะฮะวันนี้เราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสยัยปราสีผ่านพ้นไปทรงทาการปฏิบัติเกี่ยวกับสริระทรงคอยเวลาพิกขาจา์อยู่พอเช้าสู่ก็เสด็จไปประทับที่โคนต้นไทรยางโคนไม้ทั้งสิ้นให้สว่างสวัยด้วยรัศมีแห่งพระองค์ ก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนนะฮะว่าพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าของเรานั้นจะรุ่งเรืองผ่องใสสวยงามมากเป็นพิเศษเนี่ยคือก่อนจะนิพพาน ก, ก่อนที่จะสรุแต่ก่อนจะสรุอย่าลืมนะฮะว่าพระชนพรรษาแค่สามสิบห้าเต็มยังหนุ่มมาก ก็ทำให้สวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็พระองค์ก็ประกอบด้วยมหาปริสสารลักษณะสามสิบสองประการวันโอกาสที่นางสุจดาจะมองเป็นเทวดามันก็ยิ่งง่ายมากยิ่งขึ้นปดีนางปุณธาศีได้เห็นพระโพธิสัตว์ประทับที่โคนไม้เนี่ยทอดพระเนตรดูโลกกาตธาด้านทิศตะวันออกอยู่เศนต้นไม้ทั้งสิ้นมีวนานะดุดทองคำโดยรัศมีอัน สร้างออกจากพระวรากายของพระโพธิสัตว์นางคิดว่าวันนี้เทวดาของเราทั้งหลายเห็นจะลงจากต้นไม้มานั่งเพื่อจะรับภรีกรรมด้วยมือของตนเองทีเดียวจึงรีบกลับไปบอกในความนั้นแกนางสุชาดานี้เราสั้งเกตกระแสความเชื่อความเชื่อที่มันปักใจฝังใจอยู่ภายในแต่ลักษณะของความปักใจทั้งหลายนไม่ว่าอะไรก็ตามนะเช่นว่า เรามีศรัทธาเลื่อมใสในอะไรสักอย่างหนึ่งในวัตถุในบุคคลสักอย่างหนึ่งเราไปไหว้กราบสิ่งเหล่านั้นแล้วต่อมาก็ได้สิ่งที่ดีๆเราจะเชื่อมโยงกันว่าเพราะไหว้กราบพระองค์นั้นเราจึงได้สิ่งนี้ถ้าไม่กราบองค์นั้นก็จะไม่ได้สิ่งนี้มันก็กลายเป็นอาการตะนาวปาทานพบขึ้นภายในใจของคนนาบุญนาทธสีก็เป็นเช่นเดียวกัน จางนิมิตในการกวนเข้ามาทุพยญาที่นางสุจดาเห็นก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกแล้วก็โดยพื้นฐานความเชื่อเนี่ยวันนี้ไม่ใช่อนุภาพธรรมดามันต้องเป็นเรื่องของเทวดาซึ่งประสบการณ์ของเราที่เราอยู่ในแวดวง ต, ต่างๆเราจะเห็นว่าบางเรื่องมันก็แปลกดีเหมือนกันนะเช่นกำ บ, บงรรังทาพิธีกรรมจะเททอง หลอพระศักดิ์สิทธิ์สำคัญสาคัญเก้ดมาพิธีกรรมที่กำลังทาเนี่ยแดกกำลังจ้าเลยพอเริ่มพิธีเนี่ยก็เริ่มเย็นลงแล้วก็ฝนโปรยลงมาจนเสร็จพิธีแล้วก็เสร็จแล้วก็คืนสู่สภาพปกติบางทีอากาศร้อนอ้าวแล้วก็พอถึงจุดนั้นลมพัดมาเย็นสบายอยู่ ก็กลุมพื้นที่ไอ้นี่ปรากฏการณ์เหล่าเนี้ยโดยพื้นฐานความเชื่อที่เราไม่ทราบที่ไปที่มาชัดเจนแล้วก็ยังนึกไม่ออกนะฮะว่านักวิทยาศาสตร์เองก็รู้หรือเปล่าจะนบางครั้งบางคราวเนี่ยเราทําพิธีกรรมต่างๆขึ้นมากําลังทําพิธีกรรมนั้นพราทิตย์อยู่ดีๆส่งกดขึ้นมาดื้อๆเลยแล้วก็มีลมพัดมามีอากาศเย็นสบายอะไรต่อไรเนี่ย มีก้อนเมฆมาปิดบางดวงพระอาทิตย์เอาไว้แล้วตรงเนี้ยเสร็จแล้วก็จะมีการอธิบายใยความเชื่อถือในความครั่งในความศักดิ์สิทธิ์ในความอัศ จ, จรรย์ของสิ่งเหล่านั้นคือถ้าเรามองผัดผ่าคล้ายๆกับเป็นความงงงายร้เหตุผลแต่ถ้าเรามองให้ลึกซึ้งลงไปก็จะเห็นว่ามันไปนเชื่อมโยงกับการทําดีบุปผนิมิตเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากการการะทาความดี ทีนี้คนก็ต้องการบุญปณิมิต ด, ดีๆอย่างนั้นก็ต้องรีบเร่งทำความดีไอ้นั้นจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ทำความดีนี่จริงวันวิธีคิดแบบพุทธเนี่ยมันไม่ควรจะคิดโดยใช้อาหังการมากเกินไปแต่ว่ามองว่าเออมันได้ประโยชน์อะไรหลายคิดอย่างเงี้ยเข้าใจอย่างเงี้ยสมมติเราเข้าใจอย่างเงี้ยจริงจริงตามที่นางปุณณปาสีแกคิดแกก็ ก็ต้นเตือนให้ทำความดีเพราะจะต้องการจะพบเทวดาต้องการให้เทวดาปรากฏองค์ออกมารับเรื่องพรีกรรมต่างๆที่ต้องการจะบูชาให้แล้วก็นางสุจดาได้ฟังคำกนางบุญนับปุณาถาสีนั้นแล้วก็มีใจยินดีรีบนมถาดทองที่มีค่าแสนหนึ่งโดยประสงค์จะใส่ข้าวปรายาตนั้น จึงรำพึงถึงโภชนะที่สุกแล้วขณะนั้นข้าวปรายาติทั้งหมดได้กลิ้งมาตั้งอยู่เฉพาะในถาดเหมือนกับน้ำกลิ้งมาจากใบปทุมฉะนั้นนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่นางสุสาดาท่านเห็นคือเราไม่ควรจะไปติดใจในรายละเอียดมากแต่ว่าต้องการให้เห็นว่า ด้วยพลังศรัทธาความเชื่อมั่นที่มีอยู่ภายในจิตใจของคนแล้วก็เล่าจากประสบการณ์ตัวเองแล้วอาจจะมีคนพบเห็นก็นำไปพูดกันแล้วก็มีการเล่าสู่กันฟังแล้วก็จดบันทึกเอาไว้โดยคนรุ่นหลังแน่นอนคนจดบันทึกนั้นเป็นคนรุ่นหลังข้าวปญาตนั้นได้มีปริมาณเต็มถาดหนึ่งพอดี นางจึงเอาถาดทองใบอื่นครอบถาดใบนั้นแล้วผ้าขาวผ่านห่อไว้ส่วนตนก็ประดับร่างกายด้วยเครื่องประดับทุกอย่างทูลถาดนั้นไว้บนศีรษะของตนระยังโคดลนายนั้นด้วยความปิติเห็นพระโพธิสัตว์แล้วเกิดความสมนัสเป็นกำลังเลยสำคัญว่าเป็นรุกเทวดาที่จะมารับเครื่องพรีกรรมของนาง จึงพ้อมตัวเดินเข้าไปจำเดิมแต่ที่ได้เห็นนางปรงถาดลงจากศรีรษะแล้วเปิดออกผ้าคลุมออกเอาสุวรรณพิงคารคนโทน้ำทองคําใส่น้ำที่อบด้วยดอกไม้หอมแล้วได้เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ยืนอยู่ท่านนี้ถพงสังเกตนะฮะว่าเป็นการเคลื่อนไหวด้วยจิตใจที่มีความเชื่อมัน่น ก็นางมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าต้นใสต้นเนี้ยเพราะนางไปบนเอาไว้เนี่ยเห็นไหมว่าไปบนเอาไว้ตั้งแต่สาวๆนั่นแล้วก็จนได้ลูกชายเป็นหัวปีแล้วก็ทําพิธีกรุงข้าวมาถวายญาตเพื่อจะบูชาแก่เทวดาตามที่ต้นได้บนเอาไว้แล้วก็เชื่อว่าเทวดาสถิตอยู่ก็ให้ไปตกแต่งพื้นที่ซะก่อน เอจะทำพีกรรมให้ได้ถูกต้องสมบูรณ์ด้วยความรรเคารพทถ่ดทูนนางตาสีซึ่งมีพื้นฐานความเชื่ออาจจะมากกว่าแล้วความเคารพรยำเกรงในสูงกว่าก็บัญญายเสื่อหรูหรามาสมควรนะเพราะนางสุจาดาก็เชื่อมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ซับซ้อนลงไปเรื่อ ย, อยแต่นั้นพอมองไปเห็นพระโพธิสัตว์ก็ปักใจลงไปเลย เป็นเทวดาหรือไม่เป็นเทวดาก็คือเทวดาแหละสมรับความรู้สึกข้างในลนักษณะเหล่านี้ใช้บวก ก, ก็ได้ใช้ลบก็ได้ที่ท่านเล่าไว้ในนิทานทศมนตรีพูดถึงเด็กหนุ่มเจ็ดคนเห็นพรามแก่คนหนึ่งก็แบบแพะเดินมาคนนี้ก็วางแผนจะหลอกเอาแพะของพรามเนี่ยไปต้งกินเป็นอาหาร แล้วก็กระจายกันเรียงรายกระจายกันไปบนเส้นทางที่พร์เดินผ่านทุกคนออกมาแสดงความเคารพต่อพร์แล้วก็ถามว่านั่นลุงแบกสุนักไปไหนพราหมณ์ก่อนก็เสียงแข็งไปสุนักอะไรเป็นแพะดูไม่เห็นหรืออะไรเนี่ยท่านก็ดูเอามากแต่ว่าเดินไปแล้วก็มีคนหนุม่มออกมาแล้วพูดอย่างนั้นทุกคนมันก็ทาให้เกิดไม่แน่ใจว่าเอ้มันอะไรกันแน่ จะในสุดพอถึงคนที่เจ็ดเนี่ยความเชื่อที่เคยมีอยู่ว่าท่านแบกแพะมาตลอดเส้นทางเนี่ยมันหายไปเลยแล้วก็ทิ้งแพะลงตรงนั้นโดยมีความรู้สึกว่าเป็นสุนัขเด็กหนุ่มทั้งเจ็ดคนก็จับแพนั้นไปกินเป็นอาหารไปนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพวกเนี้ยพวกลักษณะของอุปท า, านที่สร้างความยึดติดเอาเนี่ยในแง่ของโลก มันก็สามารถที่จะเสริมสร้างให้เราได้ทําความดีระดับบุญกุศล น, นะฮะระดับบุญกุศลได้แต่าการยึดติดในแนวเนี้ยที่จริงก็ยึดติดไปเรื่อยๆจนกว่าจะปล่อยในที่สุดทํานองว่าเราจะเดินทางไปในที่ไกลขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบินอะไรอะไรไปกันเรือ่อยมันก็ต้องอาศัยไปเรื่อ ย, ยแหละเราต้องยึดติดไปเรื่อยไปถึงจุดเด่นก็เปลี่ยน แล้วก็ยึดใหม่แล้วก็เปลี่ยนยึดหม่แล้วก็เปลี่ยนยึดหม่แล้วก็เปลี่ยนจน ก, กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยท่านจึงอุปมาการปฏิบัติธรรมว่าเหมือนกับนั่งรถโดยสารเปลี่ยนรถไปเรื่อยเรืยถึงเจดผลัดด้วยกันจะอธิบายวิสุทธิเจ็ดเนี่ยเหมือนกับนั่งรถเจ็ดผัดแล้วก็ผลัดสุดท้ายก็ถึงนิพพานพอดีเพราะฉะ้อทั้งทั้งเจ็ดผัดมันก็ทิ้งหมด พอถึงนิพพานก็ทิ้งหมดคล้ายๆกับเราอาศัยเรือข้ามฟากเนี่ยพอขึ้นตะลิงเราก็ต้องทิ้งเรือแต่ว่าก่อนจะขึ้นตะลิงเนี่ยครก่อนจะขึ้นตะลิงก็ต้องอิงอาศัยเรืออยู่จิตใจของคนเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะงั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลร้อยเอร์เซ็นหรอกถ้าเหลีวไหลร้อเปอร์ซโลกมันอยู่ไม่ได้หรอกที่โลกเกาอยู่ได้ก็แสดงว่ามันก็มีผลประโยชน์อยู่ระดับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดคือขวัญกำลังใจ ส่วนนี้ก็เป็นโอกาสดีว่าคือหนึ่งนางได้ทําตามที่ให้สัจจะปฏิญาณอธิษฐานใจเอาไว้ก็เป็นสัจจะวจาที่เรามีต่อเทวดานะฮะ ร, รุกเทวดาแล้วก็นางก็ได้บูชาลุกเทวดาโดยความเชื่อว่าเป็นลุกเทวดาโตทิ์ก็ได้อาหารนางเองก็ได้บุญเพราะว่าเป็นการถวายทานแก่พระโพธิสัตว์ ก่อนที่จะสัตรู้นี่ถือว่าเป็นบุญที่มีผลเมียในสงมากเล่นไว้มันเริ่มต้นจากความไม่ค่อยจะมีกฎมิเกณฑ์อะไรหรอกแต่ว่าในสุดปรับสภาพจิตตัวเองเข้ามาสู่สิ่งดีงามและในการต่อมาท่านก็บอกว่านางสุชาดาเนี่แหละคือเป็นทเววาจิกาอุบาสิกาคือเป็นอุบาสิกาที่ถึงพระ รัตนตรัยสองประการนะฮะคือพระพุทธพระธรรมเนี่ยว่าเป็นสถานทีต่ตึงิตลึกก่อนผู้หญิงทั้งหลายในโลกเพราะเมื่อนางได้น้อมไปเนี่ยน้อมอาหารเข้าไปหาพระโพธิสัตว์เนี่ยเดีต้องไม่ลืมนะฮะว่าพระโพธิสัตว์อดอาหารมาก่อนอดอาหารมาก่อนแล้วก็ ได้บาด ท, ที่ท่านคติการะพรมถวายตั้งแต่นน้นตั้งแต่สมัยที่เสด็จออกพอนวดเนี่ยมันได้หายไปหายไปในขณะนั้นเน่ยโดยเหตุผลอะไรก็ตามนะฮะเป็นเทวานุภาพอาจจะไม่หายไปก็ได้แต่ว่าต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า พระโพธิสัตว์จะได้รับถาดเข้ามาทุปาตาทั้งถาดพระโพธิสัตว์เมื่อแลไปไม่เห็นบาดจึงเหยียดพระหัตถ์ขวาออกรับนางสุจาดาจึงวางถาดทองเข้าปายาดลงบนพระหัตถ์ของพระมาบรุษแล้วก็ทูลว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอท่านจงถือเอาสิ่งที่เข้าไปเจ้าบริจาคแก่ท่านนี้เถิด นางถวายบังคมแล้วพูดว่ามาโนรถของนิฉันสมเอ็จแล้วฉันใดแม้มโนรถของท่านก็จงสมเอ็จฉันนั้นนางบริจาคถาดทองซึ่งมีราคาตั้งแสนเหมือนกับบริจาคใบไม้เก่าไม่เสียดายเลยแล้วก็หลีกไปซึ่งจะาเรา ม, ามองคาพูดล้วก็น่าคิดนะน่าคิดคล้ายๆกับ น, นางสุจดาก็สะดุดใจอะไรอยู่พอสมควรแล้วก็นึกดูนะว่า พระโพธิสัตว์ก็ไปบำเพ็ญเพียรอยู่แถวนั้นบริเวณตรงนั้นแหละก็นานประสมควรโดยเฉพาะช่วงมาเป็นดกรกรกิาเนี่ยแม้รูปร่างจะกลับคืนสู่สภาพเดิมสวยงามหล่อเหลรยังไงก็ตามนันสุชาดาก็น่าจะคล้ายคลับคราดจึงมีลักษณะที่ก็ให้อธิษฐานใจให้สีในปอรเช่นเดียวกัน แล้วถวายแล้วก็จากไปเลยนะฮะไว้แล้วก็จากไปเป็นการแสดงถึงบรมนูรรถทั้งหมดที่นางตั้งไว้ในสำนึกหลักก็สบายใจนะะคนเราถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ทำได้ตามที่ต้องการก็ถือว่าสบายใจได้พระโพธิสัตว์เสด็จลุกจากที่ประทับแล้วก็ถือถาดไปสู่ท่า ถึงสถานที่นั้นก็ลงสงสนารอาบน้ำชำระผวรากายให้เรียบร้อยแล้วก็เสวยพระกยาหารเขาบอกว่าอาหารตรงนี้มันมันก็มีเรื่องที่ในช่วงหลังนะในช่วงหลังที่มีการพูดกันแล้วบางทีก็อธิบายจนจนนึกไม่ออก จนนึกไม่ออกเว่าความเป็นไปได้นะเช่นว่าบางแห่งก็มีการอธิบายว่าก็ปั้นเข้ามาทุายาติซึ่งว่าที่จริงมันค่อนไปทางเข้ายาขูว่ค่อนไปทางเข้าต้มนะฮะเป็นสี่สิบเก้าคแล้วก็เก็บไว้ฉันวรละคำมนละค ำ, ะคำซึ่งก็ดูแล้วก็ไม่มีเหผลมันน่าจะบูดนะ คืทำยังไงยังไงก็ต้องบูดแต่ถ้าเรามองถึงจริงๆว่าในภาคของการปฏิบัติเนี่ยลองสังเกตว่าพวกประท้วงทางการเมืองที่บางทีก็อดข้าวนสี่ห้าสิบวันก็อดได้คนพระที่จเจริญกรรมาฐานท่านอดอาหารได้เป็นสิบสิบวันและทีนี้พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในปีตินี่ทำไมอยู่ไม่ได้ อยู่ได้ทำรรมาพิติตตลอดได้ย่าเวลาที่เรียกว่าประทับสมัยมุติสุเพราะงั้นเราไปห่วงหรือว่าแม้แต่การเสด็จออกบินธบาดก็คล้ายๆกับเราปูดเราทำงานวันนี้เป็นวันราชการต้องทำงานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่กินไม่อาบน้ำไม่ถ่ายไม่อะไรเลยมไม่ใช่อย่างนั้นนะแตภารกิจอื่นๆก็ต้องทา แต่ว่าเป็นวันราชการงานตัวหลักก็คงเป็นงานราชการเหมือนการใช้ชีวิตของพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าในช่วงนั้นมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ท่านก็พยายามอธิบายด้วยความห่วงใยท่าไม่นึกต่อไปเนี่ยว่าเก็บไว้ที่ไหนล่ะเพระอะไรเพราะบาศมันก็หายแล้วแล้วก็หายไม่คืนมานะฮะในขณะเดียวกันถาดก็ไปลอย ที่แม่ น, น้ำในรันเราใช่แล้วอาหารตั้งสี่สิบเก้าคำที่สิแปดคำนะเก็บยังไงแล้วไม่บูดไม่เสียเลยคือบันทีเราก็มองไปมุมเดียวนะมองไปมุมในมุมหนึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็เป็นได้หรือเปล่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ท่านเรียบเรียงขึ้นนะคระับศาสตาจารย์ท่านเรียบเรียงขึ้นเพราะว่า มีสถานที่บางแห่งแม้ในตอนที่จัสรุแล้วซึ่งเราจะเจอในโอกาสต่อไปว่าในพระบาลีเราก็ไม่เจอแต่ก็ไปเจอในระดับของอัตรกถาท่านบอกว่าก็พระโพธิสัตว์ครั้นเสวยข้าวปายาตนั้นแล้วถือถาดทองทรงอธิษฐานว่าถ้าเราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ถาดทองใบนี้จงลอยทวนกระแสน้าไปเราจาก ไม่ได้เป็นก็จงลอยไปตามกระแสน้ําครั้นนิสิตานแล้วทรงลอยถาดไปในกระแสน้ําถาดนั้นลอยตัดกระแสน้ําไปทางกลางแม่น้นะําณที่ท่งกลางแม่น้ํานั่นแหละถาดทองได้ลอยวนทวนกระแสน้ําไปสิ้นที่ประมาณแปดสิบศอกเหมือนม้าตัวที่สมบูรณ์ด้วยความเร็วฉะนั้นแล้วก็จมลงณนะที่น้ําบนแห่งหนึ่ง ลงไปถึงพบของพยาการนากรากระทบกับถาดเครื่องบริโภค ข, ของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ส่งเสียงดังกริก๊กแล้วก็ได้รองอยู่ใต้ถาดเหล่านั้นพยาการนากราชครั้นได้ยินเสียงนั้นแล้วจึงกล่าวว่าเมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าบังเกิดแลวองหนึ่งวันนี้จะยังบงับงเกิดขึ้นมาอีกองหนึ่ง แล้วก็ลุกขึ้นกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยบทหลายร้อยบทนี่เป็นความเชื่อของปราตกรานะฮะความเชื่อของปราตกรานท่านก็พรนาข้อความเหล่านี้ไว้ค่อนข้างละเอียดเ อ, อซึ่งในแง่ของคนที่มีบารมีระดับนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกพิเศษอะไรนะฮะที่การจะลอยถาดทอนกระแสน้ําขึ้นไปเนี่ย เพราะมันทําได้สำหรับคนมีบา ร, รมีปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์มันเกิดขึ้นเรียกว่าอนุภาพแผงบุญอนุภาพแห่งบุญเนี่ยมันพูดยากเพราะมันกลายเป็นพวกอจินไตนะะกรรมะวิปากะวิสัยวิสัยแห่งกรรมแล้วก็ผลแห่งกรรมเนี่ยมันไม่มีคําอธิบายอิทธิวิสัย วิสัยของฤทธิ์วิสัยของผู้มีฤทธิ์พุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้าตัวนี้เป็นทั้งหลายอย่างนะแล้วจะเห็นว่าพระองค์ก็กำลังจะเป็นพระพุทธเจ้าและก็เป็นพระโพธิสัตว์ประเภทที่เรียกว่าปัชฉิมภพวิกัสสัตต์คือเป็นพระโพธิสัตว์ในประเทศสุดท้ายที่จะัสรุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะนั้นปรากฏตการบางอย่างเนี่ยเคยได้ยินเทพพระ ผู้หนึ่งที่เป็นอาจารย์สองกรรมฐานผู้ไปนในธํานองว่าเป็นไปไม่ได้ลนะ่ะโยมไม่เชื่อโยมไป ล, ลอยทวนดูถึงฟังแค่พูดคือไม่รู้จักประมาณตัวเองคือบางทีเนี่ยก็เหิมเกิมพอเป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์โูกหาเ็ารบนรัาถือมากแล้วก็เหิมเกิมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครพระพุทธเจ้าเป็นใครนี่คือพระโพ ธ, ธิสัตว์นะฮะอธิษฐานสองอย่าง ว่าถ้าจัดสรูปก็ขอให้หหถาดเต็มลอยทวนกระแสได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จัดสรูปก็ให้ลอยตามกระแสน้ำไปแล้วเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งนัที่ทําให้ทรงเชื่อมั่นทรงเชื่อมั่นในพระไตรวัฒว่าพระองค์ร้องในจัดสรุเพราะว่าถาดมันลอยทวนแล้วก็หมุนเหมือนกับมีชีวิตนะฮะแล้วก็วิ่งขึ้นไปประมาณแปดสิบสอกแล้วก็หมุนแล้วก็จม จมลงไปแล้วก็ไปรองอยู่ในใต้ถาดของพระพุทธเจ้าอีกสามองนะฮะกกุสันโธโกนคมกัดศกสปะนะฮะโคดุงโคตรมะก็ว่าว่าพระเจ้าห้าองค์พัตกับนี้มีพระเจ้าห้าองค์อย่างพระเสียยะเมตรัยแต่ว่ากาลนากราดเองก็ควางยากนะฮะโดยมันนอนหลับเป็นกับเป็นกันอย่างนั้นก็ไม่รู้นะฮะ ซึ่งบางเรื่องเป็นความเชื่อถือที่เป็นฮินดูเราก็ต้องมองเหมือนกันนะฮะว่าท่านเหล่านี้ท่านมีพื้นฐานของความเป็นฮินดูอยู่ในการที่เมืองบาดาลอยู่ใต้ดินเนี่ยฮะที่จริงมันเป็นหลักของศาสนาฮินดูคือถ้าเราศึกษาแล้วเราเรียกว่าพบของนาคราชเพบาะว่คือที่อยู่ของนาคราช ก็ไม่น่าจะเป็นใต้ดินนะฮะมันน่าจะเป็นโลกหรือว่าเป็นมิติหนึ่งหรือว่าอยู่ในโลกเรานี่แหละแต่ว่ามันอยู่อีกมิติหนึ่งซึ่งท่านก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเอาไว้แล้วก็เป็นการสะท้อนอะไรให้เห็นหลายๆอย่างในเรื่องรัทธิความเชื่อลักษณะทางสังคมลักษณะทาง ศา ส, สนาคตินิยมต่างๆแล้วก็บนเส้นทางแห่งบา ร, รมีธรรมที่สามารถให้เกิดปรากฏการณ์พิเศษขึ้นมาได้เป็นต้นทั้งฝั่งทั้งหลายแต่รลประพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็เนต่นนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอ ง, งามไพบูรย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี